ตต้องายคุณจะเห็นข้าวของรอบตัวถนัดชัดตาขึ้นทุกสิ่งเก่าลงและจะต้องปลุนแปรไปกว่านั้นอีกหากคุณไม่เคยยอมรับความจริงเหล่านั้นได้ก็จะพบว่าง่ายขึ้นหลังจากทยอยพูดความจริงดีๆออกไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดพลังสัจจะย้อนกลับมาช่วยเป็นแสงสว่าง